ความคิดความเห็นของจิตใจหรือความเข้าใจของแต่ละท่านแต่ละคนนั่นกวจะทำความเข้าใจให้ถูกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปความดั่งิชอบความคิดชอบ คำว่าความชอบนี่คือความถูกตามหลักเหตุผลของธรรมของวินัยเอานี้มาเป็นเครื่องวัดความชอบถ้าเผื่อเราไม่มีหลักอะไรโดยเฉพาะหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นเครื่องวัดความคิดความเห็นความเข้าใจแล้วก็ไม่รู้ ว่าความคิดความเข้าใจความเห็นของตัวเองนี่จะผิดจะถูกยังไงฉะนั้นเอาหลักธรรมหลักพินัยนี่มาเป็นเครื่องวัดความคิดความเห็นของตัวเองจึงจะหายสงสัยจึงจะไม่มีเรื่องจึงจะไม่มีปัญหา ถ้าเผื่อเราไม่ได้มีหลักเกณฑ์จากความคิดความเห็นเอาธรรมวินัยมาเป็นเครื่องวัดอย่างนี้การควบคุมมันก็ไม่มีการควบคุมความประพฤติความปฏิบัติตัวเองมันก็ไม่มีนอกจากไม่มี ความรู้สึกมีการควบคุมการดูแลพฤติกรรมของตัวเองแล้วยังพลอยจะเป็นพิษเป็นภัยคนเดินจะทักจะทวงจะตนิติตีงก็ไม่ได้ไม่ยอมรับความไม่ยอมรับความชิดความเห็นจากบุคคลอื่น จะผิดจะถูกจะดีจะชั่วยังไงไม่สนใจพฤติกรรมกิจการอย่างนี้ก็ล้วนแล้วว่าไม่มีหลักเกณฑ์หลักการอะไรมาเป็นเครื่องรองรับความผิดความถูกของตัวเองและบุคคลอื่นบ่เอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดความถูกต้อง ดังนั้นสิงเหล่านี้การศึกษาของพวกเราจึงเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะทําความเข้าใจไว้ให้มันถูกความรู้ความคิดความเห็นของเราแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีอ่านไรลยังไม่มีทําไม่มีวินัยเพียงเครื่องรองรับความคิดความเห็นนั้นเอาไว้กลางๆไว้ก่อน อย่าไปพึ่งดวนตัดสินใจว่าความคิดอย่างนี้มันถูกความคิดอย่างนี้มันผิดพอเรายังไม่เข้าใจความผิดความถูกตามหลักรมหลักขึ่ในามาเป็นเครื่องวัด ถ้าเราศึกษาตามหลักธรรมหลักวินัยนี่มาเป็นเครื่องวัดความคิดความเห็นพฤติกรรมของตัวเองแล้วเราเข้าใจดีแล้วเราจึงควรมั่นใจทีนี่ความคิดของเราสิ่งไหนมันถูกทำถูกวินัยดีแล้วมั่นใจว่าสิ่งนั้นมันถูก สิ่งไหนไม่ถูกกับทำกับวินัยพฤติกรรมใดสิ่งนั้นคืออยู่ในหน้าที่ของพวกเราจะต้องควบคุมควบคุมจิตกรรมความเป็นอยู่การกระทำทุกอย่างตัวเองควบคุมตัวเองตัวเองพูดจะควบคุมในคำพูดของตัวเองตัวเองชิดจะควบคุมในความชิดของตัวเอง ควบคุมไว้ทําไมก็เพราะพฤติกรรมที่ไม่ตรงต่อธรรมต่อวินัยเป็นพฤติกรรมของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลาย น, นั่นนะจะควบคุมมันไว้ถ้ารู้จักอย่างนี้แม้จะเป็นฆราวาสญาติโยมก็าตามมันไม่มีปัญหาเพศใดวัยใดก็าตามไม่มีปัญหา อยู่ในฐานะยังไงก็ตามมันไม่มีปัญหาพอทาวินัยบอกไว้หมดแล้วพื้นฐานพฤติกรรมที่แสดงออกกระวาดญาติโยมชาติชั้นวันนะใดก็ตามความผิดความถูกที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไวสอนโลกหมายว่าทั่วไปมวลหมู่มนุษย์หญิงชายในโลกนี่ ความผิดความถูกชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเหมาะพอสมพอทำได้ของข้าลวาดก็คือศีลห้านั่นเองไม่ใช่จะพาะเป็นเครื่องวัดความดีของชาวพุทธชาวไหนก็ตามเมืองไหนประเทศบ้าน ที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันย่อมมีจิเลตมีตัณหาเป็นเครื่องบ่งบอกความเป็นปุตุชนฉะนั้นจิเลตตัณหานี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะชาวพุทธนี่เท่านั้นหญิงชายชาวพุทธหรือดักบวชนี่เท่านั้นไม่ใช่มีเฉพาะเท่านี้สัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในมุมโลกมุมไหนก็ตาม บนบกก็ตามในน้ำก็ตามขึ้นชื่อว่าศาสตร์การเรียนว่ายตายเกิดย่อมมีจิเลสทั้งนั้นมีตัณหาทั้งนั้นจึนั้นความคิดที่เป็นไปเพื่อจิเลสตัณหานี้มันจึงผิดวันยังคำและพระพุทธเจ้าบอกว่า <c oughs> สิ่งที่เป็นเครื่องวัดความดีของมวลหมู่มนุษย์หรือสาสตร์โลกมวลหมู่มนุษย์นี่ฐานะใดก็ตามชาติชั้นวรรณะใดวัยใดก็ตามลองเอาสินห้านี่เข้าไปวัดความดีดูทีเราจะเห็นได้ชัดเลยความดีของเราความดีของคนอื่นก็ดี ส่วนยาบทที่เป็นทุกข์เป็นโทษมากมากจนถึงควมละเอียดสุดข้อเว้นข้อห้ามที่เรียกว่าสินห้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั่นเลือกเฟ้นควมเหมาะสม <c oughs> ตามการตามหน้าที่ตามฐานะความเป็นอยู่ของตนเราจะรู้ได้ว่าความผิดความถูกจะเป็นส่วนหยาบก็ดีส่วนกลางส่วนละเอียดก็ดีเราควบคุมตามนั้นเรารักษาตามนั้นมันก็นไม่มีปัญหา ส่วนยาบยาไมพ้นจากทุกจากโทษขอบเขตของแม่บทกฎหมายควบคุมได้ถึงไหนขอบเขตของศิลธรรมที่ความลมีความละเอียดอ่อนละเอียดปาณิชรักษาถึงขนาดไหนพร้อมอยู่แล้วในนั้น <c oughs> เพียงแต่พอมีความสงบสุขในชีวิตความเป็นอยู่ของคารวาุบาสุบาสิกาส่วนทุกส่วนโทษความเป็นทุกโทษฝ่ายห ย, ยาบๆยาอย่างข้อที่หนึ่งการฆ่าการฆ่าสัตว์ที่มีคุณมีบุญมีคุณค่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น แต่ล้วนแล้วแต่สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งนั้นเราไม่กระทําในสิ่งเหล่านี้ทุกทุโทษส่วนหยาบทุกทุโทษส่วนที่เกิดปัญหาจนเกิดความทุกข์ใจมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีอันนี้แหละจึงเป็นเครื่องบ่งบอกในความดีของความเป็นคน ความดีบุคคลที่อยู่ในสังคมตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมือง <c oughs> ถ้าเข้าใจอย่างนี้มีความเชื่อมั่นอย่างนี้ทุกคนควบคุมตัวเองอย่าไปกระทําตามโทษนั่นนั่นการฆ่าคนก็ไม่ดีการฆ่ากันตีกันก็ไม่ดีการรักเิีงวิ่งราวปนจะดมโจมตีกันก็ไม่ดี การผิดจริตประเพณีสามีาปริญาบุตรที่ดามก็ไม่ดีการโกหกหลอกวงกันก็ไม่ดีการดื่มน้ำเมาการเมาการเหมือนการเมานี่ไม่ดีรว้แต่ของที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ดีทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าต้องการเป็นคนดีเวีนจากความไม่ดีนี่เสียมันผิดตรงไหน ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดะนั้นเมื่อมองสภาพส่วนรวมของโลกมองแบบกว้างๆนี่ลองวัดดูที่ว่าเอาศีลนหน้าเข้าไปวัดดูแต่ได้ชาติชั้นบรรณะแต่ได้โม่แต่ได้พวกพฤติกรรมความเป็นอยู่ของมวลหมู่มนุษย์นี่จะผิดมากน้อยขนาดไหน เหตลักเขตผิดหลัลความเป็น <c oughs> ไปเพื่อความสงบสุขมันผิดมากน้อยข น, นาดไหนเราจะไปสงสัยอะไรสิเมื่อผิดไหลักความเป็นศีลเป็นธรรมนี่ความเป็นศีลเป็นธรรมมันจะมีเหลือที่ไหนล่ะสี่เกับนิสยัยจิตนิสัยความเป็นมนุษย์นั่นแหละฉะนั้นพฤติกรรมศีลธรรมมันไม่มีการควบคุมอยู่ มันก็สแสดงแต่เรื่องกิเลสทั้งหลายตันหาทั้งหลายมันจึงมีแต่ปัญหาเมื่อเป็นอย่างนี้จะหาความสงบสุขได้ที่ไหนละชีวิตความเป็นอยู่นักบวชก็เหมือนกันสิ้นแปดประการคือวคข้อโดกแว่นงงข้องดกแว้นจากโทษแปดประการถึงสิบประการก็คือข้องดกแว่นจากโทษสิบประการ ตลอดถึงสองร้อยยี่บเจ็ดกี่ยวทางจินยามรรยามนอกนั้นมีมากมายเหลือหลาย <c oughs> กลัวจะเข้าใจแต่และเรื่องแต่และเรื่องแต่และอย่างแต่และอย่างว่าพฤติกรรมความเป็นอยู่ของตัวเองที่แสดงออกทางกายทางวายาจจิตใจนั้นมันผิด แล้วก็ต้องมาอาศัยการศึกษาอาศัยการได้ยินได้ฟังการเรียนรู้จากการประพฤติปฏิบัตินี้เท่า น, นั้นเมื่อรู้แล้วควบคุมบังคับเรียกวย่วินัยระเบียบวินัยวินัยคือจริยาการบังคับถ้าไม่บังคับไม่เป็นวินยัย ระเบียบกริยาการกระทําตามถ้าไม่กระทําตามก็ไม่เรียกว่าเป็นระเบียบฉะนั้นระเบียบวินัยนี่อาศัยกนิยาการแสดงออกการแสดงออกของวินัยคือการบังคับบังคับเรา มันอยากไปทำความชั่วตายหน้าจิเลสไม่ไปตามมันบังคับมันไม่ไปตามมันไม่เอาตามมันไม่คิดตามมันถ้าเราไม่บังคับตัวอย่างนี้ก็ไม่เป็นการบังคับจิเลสบังคับตัวอย่างไงก็คือบังคับจิเลสอย่างนั้น ฉะนั้นจึงเรียกว่าวินัยวินัยคือกิริยาแห่งการบังคับและเบียบกิริยาแห่งการกระทำตามเมื่อพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องทำตามอย่างท่านสอนพระองค์สอนให้มีการรักษาศีล แล้วก็ต้องทำตามตามที่ขาบทนั่นๆต่อในรักษาความสงบเดินโยกมนั่งสมาธิแล้วก็ทำตามนั้นกิริยาของทำความสงบเป็นยังไงก็ฟังแต่ว่าสงบอย่างที่พวกเราเข้ามา แสดงกิริยาความเป็นธรรมเป็นวินัยรวมไปชมกันรรทำวัดไหว้ผ้าสวดมอ น, นั่งสมาธิการอย่างนี้เวลาอย่างนี้เป็นการของธรรมของวินัยถึงเวลาแล้วไม่จำเป็นแล้วก็ต้องมามาแล้วก็รู้จากสถานที่เรากะทำตัวประพฤติตัวอยู่ในระบบระเบียบ กิริยาที่แสดงออกความสามัคคีทำความพร้อมเพียงอย่างที่พวกเรากระทำกันอยู่อันนี้คือระบบอันนี้คือระเบียบคือสิ่งที่ทำตามนั่งก็นั่งอยู่ในความสงบจะนั่งฟังก็นั่งอยู่ในความสงบ จะนั่งสมาธิก็นั่งอยู่ในความสงบมันไม่สงบทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นที่มันไม่สงบก็คือกระแสของกิเลสทั้งหลายตัณหาทั้งหลายนั่นเองมันไม่สงบเมื่อมันไม่สงบก็ต้องเอาระเบียบของธรรมของวินัยนี่เข้าไปเป็นเครื่องละงับละงับยังไงวินัย คือจิตลยาแห่งการบังคับมันไม่สงบกับบังคับให้มันสงบด้วยวิธีการหรือจิตใจกรรมส่วนใดที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายสอน <c oughs> ให้มีบริกรรมเข้าเป็นเครื่องกำรรกับบังคับจิตใจของเราอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆ อย่างที่บริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ต้องมีสติธรรมความระลึกคำใจของเราให้อยู่กับคำบริกรรมบังคับจิตใจของเราให้อยู่กับคาบริกรรมนั้นหรือว่าบังคับกิเลสมาให้มันกาเริบเสบสารฟุ้งซ่านขึ้นก็แล้วแต่จะแยกมาพูดถ้า เรียกว่าเป็นการบังคับจิเลตไม่ให้มันกำเริบขึ้นไม่ให้มันฟุ้งซ่านขึ้นก็เป็นการบังคับจิเลตหรือว่าเรียกว่าบังคับจิตใจของเราเข้าสู่คาบริกรรมให้เป็นสมาธิก็เป็นการบังคับจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบคือคําบริกรรมนั้นกิเยาที่เรามีความเข้าใจตั้งมั่นเสื่อมั่นอย่างนี้ ศรัทธาความเชื่อพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เมื่อกระทํากํากับจิตใจของเราให้อยู่กระทำบริกรรมอย่างนี้มันจะเป็นไปเพื่อความสงบสุขพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้การบังคับกํากับจิตใจของเราให้อยู่คำบริกรรมอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อความสงบเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เมื่อพระองค์สอนอย่างนี้เราได้ยินได้ฟังแล้วการกระทําอย่างนี้เป็น การกระทาที่ถูกต้องเราบริกรรมนี้เป็นการกระทาที่ถูกแล้วแล้วก็ต้องบังคับเราบังคับให้เข้าสู่คำบริกรรมนั้นกิริยาการบังคับกิริยาการกระทานี้ก็คือระเบียบของผู้ปฏิบัติการกระทาอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าระเบียบต้องทำตามเป็นกิริยาของระเบียบวินยัยเป็นกิริยาของธรรมของวินยัย อยู่ทุกขณะจิตอยู่ทุกวิถีจิตที่เราควบคุมตัวเองบังคับตัวเองจิริยาอย่างนี้ความเข้าใจอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปที่ไหนก็ไปได้เพราะความถูกมันอยู่กับเราความผิดมันก็อยู่กับเราเมื่อความผิดเกิดขึ้นเราก็บังคับอย่าให้มันเป็นไป ตามอำนาจแห่งความผิดเพราะอำนาจส่วนนั้นเป็นอำนาจของฝ่ายชั่วคือกิเลสทั้งหลายตันหาทั้งหลายบังคับตัวให้พ้นจากอำนาจของกิเลสอย่างนั้นหรือบังคับความชั่วย่าให้มันเกิดขึ้นกับวาลจิตของเราจนเกิดเป็นปัญหาให้เกิดความฟุ้งซ่านลาคาญขึ้นมา จะ น, นการควบคุมพฤติกรรมของตัวเองการควบคุมความประพฤติของตัวเองเมื่อเข้าใจหลักเกณฑ์หลักการอันนี้แล้วอยู่ที่ไหนมันก็มีความรับผี่ชอบเฉพาะตัวตัวของตัวมีความรับผี่ชอบตัวของตัวประพฤติตัวจูนี้นขอบเขตของความเป็นธรรมเป็นวินัยอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหา ถึงจะอยู่น้อยน้อยคนน้อยองค์มันก็ไม่มีปัญหาถึงจะอยู่มากองค์มันก็ไม่มีปัญหาเพราะเรื่องของใครของเราที่ของใครของเราที่เดินจงกรมกัของใครของเราที่นั่งสมาธิกัของใครของเราวิธีเดินจงกรมก็ศึกษาลู่แล้ววิธีนั่งสมาธิก็ศึกษาลู่แล้ว จิตจะกรรมจิตจะวัดความเป็นอยู่การเวลาทำจิตจะวัดก็รู้แล้วการเวลาใดทำจิจจะวัดอะไรต่างท่านต่างองค์ต่างท่า น, ต, างง ต, าานต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตนอย่างนั้นมันก็จะมีปัญหาอะไรต่างคนต่างทำตามหน้าที่มันก็ไม่มีความกระทบกระเทือนกันริงที่กระทบกระเทือนก็คือทิฏฐิมาหนาที่ออกจากกิเลสตัณหามันไม่ยอมรับฟังมันไม่ยอม รู้เรื่องความผิดความถูกยร่ง่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนก็สร้างความเดือดร้อนให้ตนและบุคคลอื่นที่นั่นแต่พอไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วิ น, นัยมันเป็นเรื่องค้อมชั่ลเป็นเรื่องก่อเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษฉะนั้นการศึกษาเพื่อเข้าใจระบบระเบียบ ความเป็นศิลปเป็นธรรมอันนี้เป็นเครื่องวัดความประพฤติของตัวเองจึงเป็นสิ่งที่พวกเราจะสนใจเอาใจใส่มันมีเหตุมีผลยังไงพระพุทธเจ้าสอนไว้หรือท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านสอนไว้มีเหตุมีผลยังไง ส่วความชิดที่ว่าเป็นจิเลสภายในจิตใจของเราเราก็ควรจะแยกลักษณะนี้เป็นความชิดที่เป็นไปเพื่อจิเลสเป็นไปเพื่อทิฏฐิมานะคําว่าทิฏฐิคือความคิดความเห็นถ้ามันเห็นไม่ถูกตามหลักธรรมหลักวินัยอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นทิฏฐิความเห็นต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ถูกต้องตามธรรมตามวินัย รู้จักการรู้จักเวลารู้จักหน้าที่ของตัวเองมันจะมีปัญหาอะไรี่มีมีการศึกษาเพื่อการควบคุมพฤติกรรมของตัวเองให้อยู่ในระบบระเบียบขอบเขตความเป็นธรรมเป็นในในเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อสติอันชอบเพื่องละลึกละลึกความผิดความถูก พฤติกรรมของตัวเองรู้แล้วส่วนนี้มันเป็นไปเพื่อความผิดแล้วก็เลิกกะละบังคับกิจกรรมที่เรามีอย่างไงให้มันเป็นไปเพื่อทมเป็นไปเพื่อวินยัยควบคุมให้เป็นไปเพื่อทมเพื่อวินัยโย่ก็เป็นไปเพื่อความสงบสุขเป็นไปเพื่อความผาสุกเป็นไปเพื่อความเจริญ เราจะรู้ตัวเองว่าเป็นผู้ดีมีความประพฤติอยู่ในขอบเขต ท, ที่พวกเราหวังในผลว่าทำสิ่งใดลงไปแล้วผลสิ่งนั้นย่อมปรากฏความดีย่อมปรากฏความสุขความเจริญในชีวิตและอนาคต เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเรามีอนาคตข้างหน้าถ้าเผื่อพวกเราไม่สร้างเหตุไม่ทำเหตุให้มันมีความดีที่ทถูกต้องโยผลความดีผลความสุขความเจริญในอนาคตมันก็เกิดไม่ได้มีไม่ได้ ฉะนั้นอนาคตที่พวกเราหวังความดีความสุขความเจริญเราต้องมีความมั่นใจศึกษาให้รู้ว่าความดีที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความเจริญในอนาคตเราต้องยึดหลักในศีลในธรรมนันนี้เป็นเครื่องวัดความดีของเราทุกเพศทุกวยัยทุกชาติชนวันนะ พฤติกรรมการแสดงออกเป็นเครื่องบอกความดีความชั่วผิดถูกยังไงมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องวัดฉะนั้นเมื่อเราเอาศีลนี้เป็นเครื่องวัดความดีของเราเป็นเครื่องวัดความประพฤติความกระทำของเราการกระทำามื่เราความผิดความถูกมีศีลเป็นเครื่องวัด เราจะเกิดความภูมิใจว่าความดีนี้มันมีความถูกต้องต่อเนื่องกันมาแล้วก็เกิดความภูมิใจอุ่นใจไม่เกิดความวิปฏิสานเดือดร้อนทางจิตใจถ้าเราเอาศินเอาธรรมมาเป็นเครื่องวาดการกระทาของเราความผิดความถูกเราจะมองเห็นได้ว่าความผิดพลาดความผิด พฤติกรรมการกระทําของเราเรานึกขึ้นมาได้เราก็จะเกิดโศดสังเวชเราก็จะเห็นทุกข์เห็นโทษเพราะการไม่ได้ศึกษาเพราะการไม่รู้และไม่เอาใจใส่ฉะนั้นความทุกข์มันจึงมีโทษมันจึงมี หน้าที่ของชาวพุทธพวกเราทุกชาติชั้นวรรณะทุกเพศทุกวัย <c oughs> ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้รู้หลักจิตหลักใจความผิดความถูกคือสินคือธรรมนี่เป็นเครื่องวัดชีวิตเกิดขึ้นมามันก็อยู่ในความประมาท ความประมาทมีในชีวิตความพลาดพังความพังเผอเป็นไปเพื่อความชั่วเป็นไปเพื่อความผิดมันก็ต้องมีฉะนั้นชีวิตของพวกเราสมบัติรูปร่างของพวกเราไม่ควรจะเอามาเสี่ยงมาทดสอบกับความเป็นทุกข์ มาเสี่ยงกับสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายทางกายและจิตใจของพวกเราเพราะเหตุความไม่รู้เพราะเหตุความชั่วแต่งให้เกิดขึ้นเราดูเสียว่าโลภสมบัติที่เกิดขึ้นมานี่ถ้าเผื่อทุกทอดเป็นเครื่องแต่งแล้ว โูปสมบัตินี่มันจะไม่อยู่ในความเป็นสมบัติที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในความพอใจและโมิใจคนเสียรูปเสียร่างเสียหน้าเสียตาเสียแข้งเสียขากระวนแล้วแต่ความประมาททั้งนั้นผลแห่งความประมาททั้งนั้น ฉะนั้นรูปร่างชีวิตการเกิดขึ้นมานี่ <c oughs> เราไม่ควรจะเอามาเป็นเครื่องทดลองทดสอบกับความประมาทผลแห่งความมัวเมาประมาทนี้อะไรเป็นเหตุที่เกิดความประมาทนำทุกข์ให้เกิดขึ้นกิเลสทั้งหลายความโลภทั้งหลายความโกรธทั้งหลายที่มันมีโยู ตัญหาทั้งหลายที่มันมีอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเรานั่นแหละถ้าเผื่อพวกเราเมื่อได้นึกเห็นทุกข์เห็นโทษในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ความเป็นโทษมันให้โทษเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เข้าใจ ความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในเราก็ดีในสัตว์อื่นคนอื่นก็ดีมันมีสาเหตุเพราะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเราไม่เข้าใจอันนี้ได้ชื่อว่าเราเอาชีวิตมาเป็นเครื่องทดสอบในสิ่งที่พวกเราไม่ควรจะกระทำเพราะเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์ทางกายทางใจอันนี้คือความเสียอันนี้คือความชั่ว อันนี้คือความเป็นบาปฉะนั้นวันพระแต่และครั้งแต่และครั้งเราควรถือโอกาสหาโอกาสหาเวลาศึกษาว่าชีวิตความเป็นอยู่นี่ <c oughs> อย่างน้อยๆให้เราเข้าใจว่าเป็นอยู่ด้วยบุญเป็นอยู่ด้วยคุณเป็นอยู่ด้วยบุญเป็นอยู่ด้วยกุศลวาทนาบาแลมีให้เาเข้าให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะได้เกิดความสำนึกขึ้นมาว่าความดีเกิดกับเราเนี่เป็นเพราะบุญเป็นเพราะกุศล กุศลคือความฉลาดบุญก็คือจิเรยาแห่งความสุขทางกายทางใจความเป็นบุญคือความเป็นสุขทางกายของเราเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยเป็นคนที่มีความลำบากทางร่างกายน้อย ร่างกายมีความผาสุกร่างกายมีความสมบูรณ์มีกำลังวังชาในลักษณะความดีลักษณะนี้เป็นเครื่องแสดงออกบอกความเป็นบุญที่มีอยู่ในร่างกายของเราถ้าคนใดเกิดขึ้นมามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมากแม้ชีวิตก็อายุก็หาความยืนยาวมาไม่ได้ บางคนเกิดขึ้นมาตายแต่เด็กแต่แรกแต่น้อยแต่หนุ่มบางคนเกิดขึ้นมาแล้วกำลังเป็นหนุ่มเป็นสากวก็าตายบางคนเกิดขึ้นมาอายุไขเท่าแจะจะลาคำคานี่ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องวัดความเป็นผู้มีบาปมีบุญทั้งนั้นฉะนั้น คำว่าบุญก็คือความสุขกายสุขใจถึงจะมีอายุมากอายุขนาดไหนความลาบากทางกายทางใจมันมีน้อยอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญสร้างบุญสร้างกุศลพรเกิดขึ้นมาแต่ละพบแต่ละชาติคำว่าบุญความสุขทางกายทางใจมันยังมีพร เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้สอนชีวิตเกิดขึ้นมาถ้าพวกเราไม่เห็นคุณค่าในลักษณะความดีอันนี้เป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าส่วนเหตุส่วนผลมาจากอะไรพวกเราก็จะไม่มีการตื่นตัว การตื่นตัวอันนี้คือเป็นผู้ได้ศึกษารู้แล้วว่าความดีเกิดจากการกระทําแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันมีผลปรากฏขึ้นมาให้ตัวเองมีความสุขกายสบายใจอ ย, อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าพวกเราอาศัยตั้งอาศัยความดีเกิดจากปัจจัยสี่เป็นเครื่องบํารุงหล่อเลี้ยงเท่านั้นให้พึงรู้เถิดว่าปัจจัยสี่ เครื่องอุปโภคบริโภคอันนั้นถ้าเผื่อร่างกายจิตใจของเราไม่มีความดีไม่มีลักษณะความเป็นบุญเป็นเครื่องรองรับอยู่แล้วปัจจัยสี่นั้นก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เครื่องอุปโภคบริโภคก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ถึงจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะยังปัจจัยสี่นั้นให้เจริญขึ้นไปได้ต่อเนื่องไปได้ เพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าสอนอาณิสงส์ความดีที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการรักษาศีล น, นั่นพระองค์สอนว่าสีเลนะสุ ก, กติยงยันตีนั่นท่านบอกอาณิสงส์ไว้อย่างนั้นสีเลนโะโพกสัมปทานั่นท่านบอกอาณิสงส์ไว้อย่างนั้นถ้าแปลเป็นภาษาพวกเราคนเกิดขึ้นมา <c oughs> จะมีโภคะสมบัติก็เพราะอานิสงการรักษาศีลเคยได้รักษาศีลเคยได้ปฏิบัติตนให้พ้นจากความเป็นทุกข์เป็นโทษโพคะสมบัติมันจึงจะเกิดขึ้นโภคะสมบัติวัตถุเข้าของเงินทองมันยังจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะความไม่มีทุกข์เพราะความไม่มีโทษทางกายทางใจนั่น สีเลณะสุกเตงยันติผู้มีการรักษาศีลประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตความเป็นศีลผู้นั้นย่อมมีความสุขทางกายทางใจคนใดมีความสุขทางกายทางใจจะทําอะไรจะชิดอะไรมันมีกําลังกําลังกายก็มีถ้าจิตใจของเราไม่มีทุกข์ไม่มีโทษ กำลังใจมันก็มีเมื่อกำลังใจมีแล้วความดีของใจมันก็สมบูรณ์ไม่ใช่หรือกำลังกายมีความดีของกายของใจมันก็มีความสมบูรณ์ไม่ใช่หรือความสมบูรณ์ทางกายทางใจที่ไม่มีทุกข์ที่ไม่มีโทษนี่แหละเราต้องการปรารถนาอะไรทำกิจการงานอะไรมันก็ทำได้มันก็หาได้ สิ่งเหล่านั้นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นเครื่องประจัยสี่มันก็เกิดมีขึ้นมาได้สิ่งเหล่านี้เกิดมีวัตถุสิ่งของเป็นเครื่องเป็นประจัยเครื่องอาศัยสมบัติภายในร่างกายจิตใจเป็นเครื่องรองรับสมบัติอันนั้นอันนี้แลความ ดีที่ปรากฏเป็นผลอายุยืนยาวขนาดไหนถ้ามีสุขสมบัติส่วนนี้เป็นเครื่องรองรับกันอยู่อันนี้เป็นเครื่องวัดผลความดีผู้มีศีลผู้มีธรรมให้พวกเราพึงเข้าใจว่าความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลในวันพระหนึ่งหนึ่งที่พวกเราพยายามมุสาหา มาฟังเทศฟังธรรมมาทำวัดทำรร ว, าาาวา่ากาพะไหวพะกาบุญกาบุลก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นการสะสมเป็นการรวบรวมสบียงเป็นการรวบรวมความดีส่วนนี้เพื่อชีวิตของเราให้มีความต่อเนื่องอยู่ด้วยความดีทั้งนั้น ร่างกายของเรานี่ถ้าอาศัยว่าประใจสี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเรายินดีพอใจอยู่กับผลความดีของเก่าที่พวกเราได้ทำมาสร้างมาพบนีชาตินี้เราได้มีกายมีใจมีวัตถุสมบัติพอได้พึ่งพาอาศัยจะเข้าใจว่าขนาดนี้พอแล้วอันนี้มันผิดมันผิดแบบ ความเป็นธรรมชาติของชีวิตยังมีจิเลตันหาอยู่เพราะชีวิตจิตใจนี้มันจะมีการเกิดอีกมันจะมีพบต่อไปอีกเกิดขึ้นมาพบใดชาติใดถ้าเพื่อจิตใจนี่ขาดบุญจิตใจนี่ขาดกุศลความเป็นผู้มีฉลาดทางความชิดทางจิตใจนี่มันไม่ต่อเนื่อง ผลความชั่วก็จะแทรกซ้อนขึ้นมามันจะตัดความดีของเราในช่วงชีวิตความเป็นอยู่เมื่อวิบากรรมผลความชั่วจากการการะทาเข้าแทรกซ้อนชีวิตของพวกเราการใดเวลาใดการนั้นเวลานั้นก็คือความทุกข์ใจทุกกายทุกใจเกิดขึ้นมีขึ้นอันนี้ ผนความชั่วมันเข้าแทรกซ้สกสอนตัดรอนความดีของเราพวกเราไม่ต้องการพวกเราไม่ปราถนาฉะนั้นความดีควรจะสร้างให้มีกำลังเหนือยอยู่เข้าสู่ความเป็นสมบัติให้มันพร้อมอยู่ร่างกายของพวกเราอันนี้ถึงจะรลอเลี้ยงด้วยเครื่องบวชขนาดไหนบารุงขนาดไหนมันก็ไม่พ้นจากความแจมันไม่พ้นจากความ เก็บความค่ายมันไม่พ้นจากการพัดภาคจากวัตถุสมบัติอันนี้พวกเรายามมีความมัวเมาประมาทเพราะวัตถุสมบัติเงินทองที่มีอยู่และไม่ควรมัวเมาประมาทในชีวิตความเป็นอยู่ที่พวกเราพอมีความเป็นอิสระไปไหนมาไหนทําอะไรได้ในทางที่ดีไม่ควรจะมัวเมาประมาทในลักษณะนี้ ควรจะรู้ตัวตื่นตัวอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าความแฉมมันมีอยู่ในรูปร่างของพวกเรานี่ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีอยู่ในรูปร่างของพวกเรานี่ความตายการพัดภาคจากวัตถุสมบัติทั้งหลายจากบุคคลทั้งหลายมีความสมมุติว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดี สมมุติว่าเป็นพรนยาสามีก็ดีสมมุติว่าเป็นลูกเป็นหลานก็ดีจําเป็นต้องจะพัดภาคจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่วันใดก็วันหนึ่งในข้างหน้าจําเป็นจะต้องจากจำเป็นจะต้องภาคถ้าเขาไม่จากเราก็ต้องจากาถ้าเขาไม่ภาคเราก็ต้องภาคนี้กดธรรมดาของชีวิตมันเป็นอยู่อย่างนี้จะนั่นอย่าไป มัวเมาประมาทในรูปสมบัติที่พวกเรามีอยู่เพราะอันนี้มันเป็นเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าสอนมาให้มีความประมาทในรูปสมบัติของพวกเรามีอยู่ในพบนี้ชาตินี้ก็เพราะความแ่มันมีท่าแ่เข้ามามากๆเท่าเข้ามามากๆแล้วจะเป็นยังไงก็คือความเป็นทุกข์ไม่ใช่เหรือ ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีมากๆาเป็นยังไงก็คือความเป็นทุกข์ไม่ใช่หรือการพัดภาคจากกันไปถ้าเผื่อพวกเราไม่มีบุญไม่มีกุศลไม่มีศีลไม่มีธรรมดวงจิตดวงใจอันนี้จะไปพึ่งพาอาศัยอะไรถ้าบุญกุศลความดีไม่มีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจไม่เป็น ไม่มีเป็นที่พึ่งทางจิตใจแล้วจิตใจดวงนี้มันจะละเห่เล่ล่อนไปที่ไหนเพราะพบภูมันนี่พวกเรามองเห็นไม่ใช่หรือเกิดขึ้นมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นสัตว์ขึ้นมาแต่ละอยา่างแต่ละอยา่างกันล้วนแล้วแต่ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งนั้นเกิดขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายกันล้วนแล้วแต่ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งนั้น แม้ว่าสมบัติที่พระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญอยู่ว่าเหนือจากมนุษย์สมบัตินี้แล้วก็คือสวรรค์สมบัติเทบุเทวดาพระอ็นพระพรหมทุกชั้นมีความสุขความเป็นทิฏิอยู่แต่และชั้นแต่และพบแต่และพมเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่ดวงจิตดวงวิญญาณ น, นี่ทั้งนั้นแม้เข้าสู่มากผลนิพพานก็ล้วนแล้วแต่ดวงจิตดวงใจนี่ทั้งนั้น ดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณอันนี้ไม่นิยมว่าดวงจิตดวงใจนี้ดวงนี้เป็นส่วำหรับจะได้เป็นผู้ชายดวงจิตดวงใจดวงนี้สำหรับจะได้เป็นผู้หญิงไม่มีความนิยมอย่างนั้นไม่มีการผูกขาดอย่างนั้นดวงจิตดวงใจดวงนี้สำหรับจะได้เป็นสัตว์เดรัจฉาน ดวงจิตดวงใจดวงนี้สำหรับจะเกิดขึ้นมาเป็นวายเป็นควายเป็นหมูเป็นหมาไม่ได้มีความยินิยมอย่างนั้นไม่ได้มีการผูกขาดอย่างนั้นดวงจิตดวงใจดวงนี้ส ำ, Ident, สำหรับจะไปเป็นเปรตมันก็เป็น 7, เปรอยู่นั้นเป็นผีก็เป็นผีอยู่นั้นดวงจิตดวงวิญญาณดวงนี้จะไปตกเป็นนรกมันจะเป็นตกนรกอยู่นั้นไม่ได้มิยมผูกขาดอย่างนั้น ฉะนั้นจะดวงจิตดวงไหนก็ดีดวงวิญญาณดวงไหนก็ดีท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่จะตกนรกก็ดีหรือเป็นเปรเป็นผีก็ดีเป็นสัตว์ไดๆฉานก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทบุตรเทวดาก็ดีก็เป็นดวงจิตดวงวิญญาณอันเดียวกันชื่ออันเดียวกันเมนื่อนีนิยมแยกว่า ความเป็นหญิงมีดวงจิตดวงใจดวงนี้สำหรับเป็นผู้หญิงควรมเป็นชายดวงจิตดวงใจดวงนี้เป็นชายเป็นสัตว์เดชานดวงจิตดวงใจอันนี้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นให้พวกเราเข้าใจว่าอะไรเป็นเครื่องแยกอะไรเป็นเครื่องมีกำลังให้เข้าสู่ภพภูมนนินั้นนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่า ความชั่วที่มันมีอยู่ในดวงจิตดวงใจของสรพสัตทั้งหลายของมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายของคนทั้งหลายนั้นล่ะอะไรคือความชั่วความโกรธโมโหโธสนี่คือความชั่วประเภทหนึ่งความหลงก็คือความชั่วประเภทหนึ่งความรอบก็คือความชั่วประเภทหนึ่ง ตัณหาทั้งหลายกาะตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาความทะเยอทะยานอยากความใคร่ความพอใจความยินดีที่มันมีอยู่ในดวงจิตดวงใจของเรานั้นตัณหากับจิเลศวิ่งประสานกานเข้าโดยไม่มีศีลธรรมความรู้ทางศีลทางธรรมเป็นเครื่องแยกแยะแล้วดวงจิตดวงวิญญาณนันนี่ มันจะตกอยู่ในอำนาจของชิเลกับตันหาที่มันวิ่งประสานกันความอยากความต้องการมันเป็นฝ่ายของความรู้สึกเป็นตันหาถ้าสิ่งใดมันไม่ได้ตามความต้องการปรารถนาของตันหาแล้วมก็เกิดโทสะขึ้นมา เกิดโลภขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความหลงขึ้นมาอันนี้มันวิ่งประสานกันกับตัญหาความอยากความหิวทางจิตใจนั้นฉะนั้นผลความชั่วมันจึงเกิดเมื่อผลความชั่วเกิดขึ้นแล้วมันจึงทําให้ดวงจิตดวงวิญญาณ น, นี้ไปตามพบตามภูมิความชั่วที่มันเป็นอยู่มีอยู่ พวกเราไม่รู้ถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ศึกษาอย่างนี้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอย่างนี้โอกาสมันเป็นไปเพื่อทุกเพื่อโทษในพพในภูมิมันยังมีมากฉะนั้นสัตว์เดรัจฉาน <c oughs> ทุกประเภทพวกเราเคยเห็นอยู่ทุกวันไม่ใช่หรือในน้ำก็มีบนบกก็มีกระวนแล้วแต่ดวงจิตดวงวิญญาณดูอํานาจความชั่วทั้งนั้นการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษ พบใดชาติใดก็ดีชาติชตั้นบรรณบ้านใดเมืองใดก็ดีอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดของดวงจิตดวงวิญญาณที่มีความดีสร้างเอาไว้แล้วต่อเนื่องหรือไม่ยังไงอันนี้เราต้องมาดูผลปัจจุบันอันนี้แหละว่าสมบัติความดีทางกายทางจิตใจของเราเกิดขึ้นมาพบนีชาตินี้ให้พวกเรามีความภูมิใจว่า การเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ของเรานี่เป็นหญิงก็าตามเป็นชายก็าตามควรให้มีความภูมิใจว่าพบนี้ชาตินี้เราได้เจอแล้วขึ้นเช้าขึ้นชื่อว่าบุญความฉินั้นผ่านเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรเจ่เวลาจึงขอยุติไวเพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญ ย้งมีแดดพวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธิน